ในช่วงที่หยุดยังไม่มีการหายใจออกช่วงหยุดจังหวะนั่นนะ่ะเหมือนเราไม่มีชีวิตอยู่ละตรงกันนะค่ะอันนี้แค่ลมหายใจนะและไหนเรื่องจิตใจเราละ่ะจิตใจเราเนี่ถ้าเราขาดสติช่วงแว บ, บเดียวเนี่ยมันก็เหมือนเราไม่มีชีวิตเมื่อขาดสติเราก็มีความรู้ตัวว่ามันมีตัวเราอยู่เมื่อมีสติมันก็มีตัวเราขึ้นมาเนี่ยเท่ากับเรามีชีวิตขึ้นมาเป็นขณะขณะเรามักจะมองว่านู่นแหละ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 ทุกวัยเลยด้วยซ้ำไปมันจึงเป็นอุตาหรหอนสอนใจแล้วว่าเราไม่ควรประมาทที่สาราวัดส1เอดสาราเต็มทุกสาราเลยต้องเผาวัละสามศกแล้วผู้ที่ตายเนี่ยมีทุกวัยเพราะนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทแม้ว่าเรายังมีอายุน้อยอยู่เรายังมีความสุขอยู่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 บางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องไปเผาศพลูกอย่างเงี้ยดูแลล่นะก็ยังมีคนบอกว่าอ่ะคนหัวงอกไปเผาศพคนหัวดับก็ดูแลเออเ น, นี่มันเป็นคติสอนใจนะคบางคนยังบอกว่าหุวพ่ปัญญาอนันทะท่านใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทท่านมีอายุถึงก็ตั้ง90้าสิบกว่างานแล้วก็ทามากแต่ก็อายุยืนยาวว่าท่านไม่ประมาท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 สวดจบเดียวแล้วก็ปิดศาล า, าไม่ต้องเฝ้าศพค่ะดีมากๆ <laughs> เลยนะคะนอกจากเราจะพูดคุยกันเรื่องของเ <laughs> พื่อนของเราที่จากไปแล้วเนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกนะคะเ <laughs> พื่อนของเราทั้งสองรายเนี่ยจากไปด้วยโรคเดียวกันนะคะอาจารย์ครับมะเร็งแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันอีกอย่างก็คือว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีจิตบนกุศลก่อนที่จะจากโลกใบนี้ไปสนใจธรรมะ